เรื่องรู้จักอัลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์มีมีจริงนะอเอาวาลอยินลาอินแปลว่าถ้าหากแปลว่าถ้าถ้าหากอินนะแปลว่าถ้าหากไอลามเนี่ยในตับซีอธิบาลเป็นลามาที่เพิ่มขึ้นมานะครับวาละอยินถ้าหากซาอัลตะฮุม มุฮัมมัดเนี่ยซาอัลตาบริวะท่านถามถ้าหากมุฮัมมัดถามพวกเขาเหล่านั้นถามพวกเขาเหล่านั้นถามใครถามพี่น้องมุพี่น้องมุชิริกที่นครมักกะรอเยอะอนาญาตนาบีาทั้งนั้นแหละลุงบังเต๊ะบ้างจูบังถ้าไปถามเรื่องอะกิดากับญาติพี่น้องนี่นะเขาเหล่านั้นเนี่ยถามว่ายังไง มันแปลว่าผู้ใดนัสลาแปลว่าให้ให้ลงมามินัสมะจากชั้นฟ้ามาอันแปลว่าว อ, อเตอร์แปลว่าน้ําถ้าถามว่าใครเป็นผู้ประทานน้ํามาจากชั้นฟ้าให้ฝนตกนั่นแหละแต่ชายภาษาสำนวนดีนะใครเป็นผู้ประทานน้ํามาจากชั้นฟ้าคือให้ฝนตก มาอ้านแปลวานรณามถ้าไปถามคนมุชริกนะครับที่กราบไหว้รูปจเจวต์นี่นะไปถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้ให้น้ำฝนตกลงมาจากฟากฟ้าแตนี้น้ำฝนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนี่อานอธิบายเลยนะฟาอหยา พอน้ําฝนตกลงมาเนี่ยนาฝนนั่นให้ชีวิตชีวาให้ชีวิตชีวานี่เป็นเป็นความรู้นะที่อลรรห์ให้นั่นนี่นะน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้า น, ะนะนั่นนะมีทําให้มีชีวิตชีวาไอของที่มันตายตายไปแล้วเนี่ยให้มีชีวิตชีวาใหม่อลรรห์ดีหรือไม่ดีเนี่เราต้องขอบคุณอลรรห์นะเวลาฝนตก ต้องอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอ์ให้ฝนตกลงมาฝนตกแต่แต่ละข้างเนี่ยอัลลอ์ให้ชีวิตชีวาให้สดชื่นอัลลอ์แค่ลมลมมาหน่อยๆใช่ไหมแค่เย็นๆนิดๆเนี่เรายังชื่นใจใช่ไหมไม่ใช่แต่นบีกลับกลัวอ้าวนบีกลับกลัวพ้าอย่างอิชาเล่าเองวือ่ออัลลอ์ฉันเห็นนบีส ง, ส, งสารน่ะพอรู้ว่าฝนจะมาเนี่ยนะ พอมีเข้าว่าทาท่าจะมีฝนมานะมีมืดมืดมามันลมมาเนยหน่อยเนี่นะนบีจะเดินเข้ามัสยิดกับบ้านเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาถามว่านาบีกลัวอะไรฉันกลัวอาซาบฉันกลัวอาซาบทำไมละ่ะเพราะก่อนหน้าที่นบีจะเป็นนบีนี่นบีคนที่มาก่อนหน้านาบีเนี่ยหลายคนถูกลงโทษเพราะฝนเพราะเมฆฝนนี่แหละ นึกว่าเป็นน้ำฝนแต่ที่ไหนได้เป็นหินก็มีโอ้โหเห็นอย่างครับนี่นบีเตือนนบีทำเป็นแบบอาไว้พวกเราต้องอ่านกุณอ่านต้องนึกนะโอ้ไปถามว่าไปถามพวกเขาเหล่านั้นว่าใครให้ฝนตกลงมาจากฟากฟ้าฟ้าอัฮยาบิฮิลอารมบแผ่นดินมิมบัดีฮา เมาเมาตุนบวาตายแผ่นดินที่มันแห้งแรงนะ่ะน้ําฝนนั้นนะ่ะทำให้แผ่นดินที่แห้งแรงนั้นนะ่ะมีชีวิตชีวาสังเกตได้ยังไงว่ามีชีวิตชีวาต้นไม้มันขึ้นอลัลลอฮ์นี่อลัลลอฮ์สอนนะสอนคนอ่านคนอ่านละเอียดไหมละเอียดครับเตือนโอ้สังเกตดูบ้างอาลัลลอฮ์แผ่นดินที่มันแห้งแรงนะ่ะเวลาฝนตกลงมาเนี่ย มันมีแผ่นดินมีชีวิตชีวาต้นไม้มันขึ้นรู้พอต้นไม้ขึ้นปั๊บในรู้เลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตรงสีคอนเนี่ยมันเป็นทุ่งนานนะผมยังจำได้ภาพได้หมดเนี่ยเป็นทุ่งนาพอฝนตกลงมาเยอะๆนี่นะเข้าหาปลากันนะเดินไปที่สีคอนสแควร์ตรงนี้แหละ อ, อ๋อรอมีแต่ปลาปลาปลาปลาปลาปลา แผ่นดินที่แห้งแล้งพอฝนตกตรงกลางคืนตื่นเช้ามาหาปลาด้โอลดเกลี่ยแล้วมาจากไหนนี่ไงกุณอ่านสอนอาฮียะบิลอาร์ดบาดะมาติฮะแผ่นดินที่มันแห้งแล้งพอฝนตกลงมานั่นมีชีวิตชีวารู้เป่าอัลลอฮ์ต้องการจะให้คนอ่านคุรอ่านเนี่ยใช้สติปัญญาเป็นองี้หัวใจของคน หัวใจนะก้อนบุญเนี่ยหัวใจของคนเนี่ยกับแผ่นดินเนี่ยเหมือนกันหัวใจที่ตายด้านอัลลอ์อธิบายให้ฟังในกัมพีกุอ่านหัวใจที่ตายด้านคือหัวใจที่ไม่รู้จักพาผู้เป็นเจ้าผู้สร้างตนเองใครที่ไม่รู้จักอัลลอ์หัวใจของใครที่ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์องเดียวไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็น สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินถ้าไม่ยอมรับและไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺและไม่ยอมรับสิ่งฟ้อัลลอฮฺอีก๙๙พันนามได้นะหัวใจของคนคนนั้นเปรียบเหมือนแผ่นดินที่ตายด้านแผ่นดินที่แห้งแรงหัวใจก็ตายด้านเห็นยังครับนี่คุณอานคุณอ่านสอนเราเตือนเราจากนั้นหัวใจที่ตายด้านคือหัวใจที่ไม่รู้จัก Allah. อัลลอฮฺเอาพูดง่ายๆก็รูกคนอิมานมีเท่าไหร่มีหกข้อ ถ้าหัวใจเนี่ยไม่ยอมรับว่าะะอัลลอฮ์มีมลายิกามีแล้วก็รอซูลของอัลลอฮ์ที่ส่งมาโยยาไปหมดมีตั้งยี่สิบห้าท่านแต่มียิบมีมะลายิกามาอีกแล้วก็มีวันกียามะถ้าไม่เชื่อนะแล้วก็ต้องฟื้นขึ้นมาในวันกียามะแล้วก็มอบรางวัลอีกเนี่ยถ้าไม่เชื่อนสิ่งเหล่านี้หัวใจของใครที่ไม่ที่ไม่ยอมรับเรื่องรุกโกลอิหมานหกข้อนะ หัวใจคนคนคนนั้นเป็นหัวใจเหมือนดินที่แห้งแล้งตายได้จิตนี้บุลมะอธิบายตออีกแล้วมันเดินได้ยังไงล่ะเขาเรียกว่าเป็นศพเองนะเป็นศพศพที่เดินได้เห็นอย่างกับนี่คุณอานอธิบายให้ฟังนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ให้วะฮีลงมาสอนนบีให้สอนเรื่องอย่างนี้กับคนที่ไม่รู้จักอัลลอ์ที่ไม่เอาอัลลอฮ์เองนั้น มีหัวใจแต่หัวใจตายด้านไม่ต่างอะไรกับแผ่นดินที่แห้งแล้งแผ่นดินที่แห้งแล้งเนี่ยเวลาถูกน้ำฝนเป็นไงครับโอ้โหมีชีวิตชีวาอาลัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายว่าน้ำฝนนั้นก็เปรียบเสมือนอิสลามน้ำฝนเปรียบเสมือนอิสลามน้ำฝนเปรียบเสมือนกุรอานน้ำฝนเปรียบเสมือนสุนนะของท่านนาบี นำฝนเปรียบเสมือนอิมานหข้อน้ำฝนเปรียบเสมือนอิสลามอีกห้าข้อจะอธิบายยังไงก็อธิบายกันไปต่อยอดได้เลยฉะนั้นชีวิตวิญญาณของคนเนี่ยจิตใจของคนเนี่ยนะอัลลอ์ไม่ให้เรารู้ว่าหัวใจเขาคิดอะไรไม่รู้นะแตาก็ต้องมองดูตัวเองหัวใจใครหัวใจมันดูแลกันเองประคองกันเอง ฉะนั้นวันไหนที่เราลืมอัลลอฮ์นะเองเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งเป็นหัวใจที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่พอใจคุณนะฉะนั้นให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆการนึกถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นหัวใจที่สดชื่นอัลลอฮ์นบีอัลลอฮ์ยังไงใครที่อ่านคุณอ่านทุกวัน are, อัลลอฮ์ให้หัวใจของเขาสดชื่นแล้วคนที่เรียนสุนนะนบีเรียนทันหน้หนึ่งหนึ่งขัตติสนะเรียนนะ แล้วก็ท่องจำนะแล้วก็ฝา บ, บั้นแล้วก็ฮูแล้วนำเอาเอาไปสอนต่อเองนะเอาไปบอกต่อ น, นี่นะนบีขออุอาวไว้นับดอรอล์อัลลอฮ์จะโปรดประทานความสดชื่นให้กับคนที่เรียนสุนนะนบีหนึ่งฮะดิษและอันนำเอาไปสอนต่อทำไมนบีขออุอาดักหน้าเอาไว้ก่อนลนะ่ะพราะนบีคนจะแอนตีสุนนะนบี ใช่ไหมนะไม่นอนตามสุน่านบีไม่กินน้าตามสุน่านบีไม่นมมาตามสุน่านบีไม่อาบน้านมมาตามโุน่านบีขวางสุน่านะบีหมดเลยเอาอะไรมาแทนเอาประเพณีปฏิบัติของปู่ย่า ต, ตายายเอามาแทนแทนแทนแทนแทนแทนแท น, แท น, นี่ไงวันนี้ที่เราเรียกร้องกันนะมายึดสุน่านะมายึดคุรานะมันก็ถูกตาหนิใช่ไหม แล้วก็ต้องอดทนเพราะนบีอยู่ที่นครมักกะสิบสาปีสอนแล้วยังอยู่ไม่ได้ต้องอพยพประโยชน์นครมาดีนะนะถึงจะไปปลูกอิสลามขึ้นที่นครมาดีนนะแล้วก็มายึดนครมักกะได้อีกทีหนึ่งถึงมาปลูกอิสลามได้ทุวันนี้สงางงามเลย <c oughs> อัลฮัมดุลิลละอานี้ได้ได้ข้อสรุปเยอะนะฮะ ว่ละอินซอัลตาฮูมมุฮัมมัดเออถ้าหากท่านนี่ถามพวกเขาเหล่านั้นถามว่ามันนัสจาลาบนัสมาอิมาอันน้ำฝนที่มาจากฟ้าฟ้าเนี่ยใครให้ตกลงมาหรือมันตกมาเองอธิบายต่อไปอีกสิฟัตน้ำฝนน้ำฝนนั้นอาหยาทำให้ชุบชีวิตบิอัลอาอูบแผ่นดิน มิมบ่าดีมาอทิ่ฮาหลังจากที่มันแห้งแล้งฝนไม่ตกมานานๆเนี่ยแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยต้นไม้ก็ตายหมดใช่ไหมใช่พอฝนตกลงมาต้นไม้ขึ้นแผ่นดินก็ชุมก็ช่วยเพราะอะไรครับใครทำเนี่ยใครทำอัลลอฮ์ทำลายกูลุนลลอพวกเขาจะกล่าวว่าคนมุชริกนะ ยอมรับว่าอัลลอฮ์และยากรุ่อลลอฮ์พวกเขาจะกล่าวว่าใครนะอัลลอฮ์เรื่องเดียวแต่เรื่องกราบฉันไม่เชื่อเรื่องสิฟัตอัลลอฮ์อีกาศิลกาฟ้านา้ำฉันไม่เชื่อฉันเชื่อเรื่องเดียวเรื่องอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้ฝนตกลงมาจากฟางฟ้าเรื่องเดียวแต่เรื่องกราบเนี่ยฉันไม่เอา อย่างนี้เป็นเป็นเป็นมุสลิมยังยังครับทีนี้ลองมาถามพี่น้องเราเนี่ยจีเป็นเมือ ง, งไทยนี่นะใครสร้างชั้นฟ้าใครให้นําฝนตกลงมาเขาตอบว่าไงใช่ไตกมาเองใช่หรือไม่ใช่ใครสร้างชั้นฟ้าเกิดขึ้นมาเองใครสร้างดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาเองธรรมชาติสร้างใช่ไมไ้มเราได้ยินทุกวันะ เวลาขอก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่รู้ว่าใคร <c oughs> นี่เห็นอย่างครับนี่อธิบายได้เลยว่าคนอาดับมุสลิกยังดีกว่าพี่น้องของเราที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยหนักนะแต่นี่คนไทยไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยเนี่ยเขาก็มองมาตินมุสลิมทุกเองไม่เอาไหนนะทาไมไม่สอนละอ่ะอ้าวตามมาอีกแล้วเห็นไหม มานาอับุลฮัสันเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยอยู่ในอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าคนฮินดูบ้านติดกับมุสลิมเนี่ยเขาถามคนฮินดูว่ามุสลิมเป็นยังไงเพราะว่ามุสลิมมีอยู่สามเรื่องหนึ่งด่าเก่งสองมีเมียแต่สี่คนแล้วก็ไม่กินหมูมันรู้เรื่องแค่สามเรื่องนี่แหละ แล้วก็ชาวเรา穆斯มนี่ริมบ้านคุณทานั้นไม่สอนเพราะอะอยู่กันมาสี่สปีแล้วนะบ้านอยู่ติดกันเนี่ยไม่เคยสอนอิสลามให้ให้คนฮินดูตรงนี้ฟังเลยพระกฏตําหนิ<笑>พวกมุสลิมนะท่านเราก็ต้องเรียนศาสนาเยอะแล้วก็ต้องด้ว่าก็ต้องเชิญชวนกันต้องพูดกันใช่ใชไหมมาต้องทําหน้าที่อันนี้เพราะเหมือนใครเหมือนนบีเหมือนซา บ, บานนาบีคนทํางานศาสนาในคุณต้องอย่าคิดว่าอยู่ใบสอน ง, งานานั้นไม่ใช่นะ เขาก็ด่าทุกวันนั่นแหละแต่ก็ดา่าย <atheist S 1> e ีมเงียวเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปเอาต่อมาครับอัลลอฮ์สอนนบีนะเมื่อถามพวกเขาพวกเขายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแล้วก็สร้างแผ่นดินแล้วก็ให้ฝนตกลงมาให้กล่าวว่าไงกุลโมฮมาัดเอ๋ยจงกล่าวด้วยความขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลันี่ใครสอนเนี่ยอัลลอ์สอนนบี แล้วก็สอนพวกเราที่อ่านกุนอ่านว่า น, นี่เวลาเขาพูดถูกต้องให้กล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาไม่ให้ตำหนิเขาด้วยยังขาดอู่สองเรื่องนั่นนะ่ะให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาแปลว่าการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์นั่นฉะนั้นเวลาใครเขาชมเราเนี่ยนะน่ะอุลมามะอธิบายต่ออัลฮัมดุลิลลาเนี่ยกล่าวว่าอะไรบ้าง นี่ให้กล่าวว่าระที่เขายอมรับว่าออเอาล้อเป็นผู้สร้างชานฟ้าแผ่นดินให้ฝนตกลงมาให้กล่าวว่าไง่อัลฮัมดูแลเองเข้าใจสุดเข้าใจอิสลามนิดห น, หน่อยนะแล้วก็ว่าระอื่นให้กล่าวตอนไหนหรู้ไหมอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมไปของยี่สิบระหว่างทางเนะ่เจอรถชนกันมีคนนอนอยู่กลางถนนรูปาซุนน้านบีนะ เอเห็นภาพอย่างนี้ให้กล่าวว่างี้อัลฮัมด ill ุลิลลาฮิลลาดิอัฟาเนมิมมับตะลากาบิฮิวะฟัตดลันีอัลาคาซีริมิมมันขัลกกาตัฟดลานี่นบีสอนเราเห็นเหตุการณ์รถชนกันและคนนอนอยู่กลางถนนล้วมีโปรเตคกตึงจยมารอเอาเอาขึ้นนะไม่รู้ตายหรือยังกันไม่รู้นะ ถ้าอ่านดูอาบทนี้นะเราจะไม่ถูกเหมือนกับคนนี้ถูกอัลลอฮจะคุ้มครอง เ, รเหมือนการเวลาเราไปเยี่ยมพี่น้องเราที่โรงพยาบาลพนะอไปเยี่ยมกระโบนี่เป็นโรคร้ายแรงเราอยากเป็นโรคเหมือนเขาไหมล่ะไม่อยากนะ่ะเราก็ต้องมาอ่านดวอาต้องอ่านอ่านอ่า น, า น, านคอนะ่อยๆนะอยาให้เขาเห็นบ้างอ่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฏีอาฟาเนมิมะบตาลากนะับี <speaking> ว oh ่าฝั op, ่งด้านนี م อาลักษิริมมันขอลาก็ตั้งดีละแปลว่าอะไรใช่ไหมอัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันเนี่ยปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เหมือนเขาให้ฉันันดีกว่าเขาอ่ะนี่เห็นยังไงต้องขอบคุณอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์สั่งนบีให้กลางอัลฮัมดุลิลลาห์ในวาระอื่นเองเช่นจะขึ้นรถ الحمد لله الذي سخّر لنا هذا وما كنا له موب ต้องขอบคุณ Allah แล้วก็ตอนไหนล่ะตอนตะวันขึ้นนี่ผมก็พูดอ่านฮะดิษพบเหมือนกันนะตะวันขึ้นนี่ให้ขอบคุณล l l a h ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอักออรนายามานาฮะแลแล้วก็เวลายุลิกุนาบิซูนูบินา ขอบคุณเลาละดวงอาทิตย์ขึ้นขอบคุณเรา ล, โอโอละอัลลอฮฺจ๋าวันนี้อย่าทําลายฉันเพราะความผิดของฉันเห็นจังครับนบีตเตือนเราให้เราขอรัอาต่อลเราว่าอลัลลอฮฺจ๋าอย่าลงโทษฉันเพราฉันทําผิดวันนึงเราเมื่อทนทำผิดกันเยอะแยะใช่ไมนะแล้วก็ต้องขอรัวเผือเผื่อเผื่อเผื่ อ, เ อ, เ, อเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องสรุปง่ายๆก็คือ อิสลามเปรียบเสมือนน้ําอะไรน้ําฝนอีมานเปรียบเสมือนน้าฝนกุรอานเปรียบเสมือนน้ําฝนสุนนะนบีเปรียบเสมือนน้ํนาฝนถ้าใครได้เรียนสุนนะนบีได้เรียนกุรานได้เรียนสุนนะนบีชีวิตของเขาจะดีกว่าเก่าอ่นอย่างผู้เราที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี่ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราไม่เรียนเลยเนี่ย มันไม่อร่อยเนี่ยนี่พอเรียนแล้วเป็นไงแล้วกัชีวิตมันก็สดชื่นอยากจะมาฟังเออมาฟังศาสนาแล้วมันสบายใจเมื่อก่อนหน้านี้เราก็มาอยากจะฟังฟังเพลงดนตรีมวยตะฟุตบอลโอโลมอร่อยหมดเลยใช่ไหมละ่ะมันก็ถูกใจหมดนั่นแหละแต่ว่าชีวิตแย่ลงแย่ลงแย่ลงแย่ล ง, ล ง, ล ง, ลงจนกระทั่งตายไม่รู้สึกตัวฉะนั้นเรียนหันมาเรียนอิสลามเถอะมาเรียนคุณอ่านเถอะนะ Allah จะให้ชีวิตแล้วอาฮัยมีชีวิตชีวาที่ดีขึ้นอย่างมีเป็นต้นนะครับเอาต่อมากระผมอยากจที่หกสิบสีามหาดลหายาตุดุนยาอิลลัลฮุวาลัยบาวอินนัดดารอลอัคราตาลาฮิยาล حيوان لو كانوا يعلمون الحمد لله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ละหัมดูลิลไปน้องกุรานสอนนั่นละดีมากขอบคุณนั่นละต้องการอะละหัมดูลิลละอย่าอย่างอื่นไม่มีอายานนี้อธิบายเรื่องโลกดุนยากับโลกอาคีราอทำไมต้องอธิบายล่ะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกโลกดุนยาโลกเดียวนี่โลกแบบนี้ มีดวงอาทิตย์ดวงจนันทร์กลางวันกลางคืนมีมนุษย์แล้วก็มีสัตว์มีแพะมีแก่มีวัวมีควายเลือกอาดุลยา ต, ตรงนี้แต่ลืมอาคืออะไรนี่อลัลลอฮฺสอนโลกดุลยานี่เป็นยังไงว่ามหิฮิลหายาตุ ด, ดุลย์ยาหายาแปลว่าชีวิตอ า, อาหายาแปลว่าชุบชีวิตให้ดีขึ้นฮายาอย่างเดียวแปลว่าชีวิต ว่า un มหาดิลหายาชีวิตของโลกดุนยามหาดิห์ไม่มีอะไรชีวิตของโลกดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรเลยใครบอกผู้ผู้สร้างโลกอธิบายบอกให้ยิบรีนมหาท่านนาบีมุฮัมมัดเอ้ยชีวิตดุนยานี่นะไม่มีอะไรนะ อินลานอกจากมีอะไรรู้ไหมละหุนการลเล่นมีแต่เรื่องเล่นเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นหมดเลยใช่หรือไม่ใช่เอาใครเล่นบ้างก็ดูลูกเราไง น, ะนีลูกเราเนี่ยอายุกี่ขวบ่ะหนึ่งขวบสองขวบสาขวบสี่ขวบเล่นใช่ ไ, ไมนี่นักเรียสนสมมติมาามก็มเล่นด้วย เล่นห้าครบหกครบยังเล่นเพลินอยู่เลยถ้าไม่เล่นเดียกเป็นไข้หนะ่ะไม่สบายนี่อรรถกำลังนะว่าเรก็เล่าให้ฟังด้วยชีวิตดุนยานี่ไม่มีอะไรนะสังเกตนะมีละวุนมีการลนวะเล่นแต่นี่ผู้ใหญ่น้อยก็เล่นมวยยายน้อยก็เล่นอะไรอะ่ะเล่นเล่นฟุตบอลโอโ้โหเห็นไหม บางคนซื้อรถมาวิ่งเล่นขับชนกันอะไรกลางถนอนอู้สารพัด น, นดุลยานี่นะมองลึกๆแล้วไม่มีอะไรอลัลลอฮ์เล่าเองนะเป็นการละเล่นเรื่องที่สองลาไบุญลาฮุนแปลว่าเพิดเพลินนะพูดแปลผิดนะลาฮุนแปลว่าเพิดเพลินสองลาไอบุญการละเล่น ดุนยานี้นะเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าเองนะมีอยู่สองเรื่องหนึ่งอะไรพเพลิดเพลิ น, นสองเล่นโรคุนโลกโรคดุนยาไปนี้อลัลลอฮ์ให้สองอย่างทดสอบหมดเลยนะให้เงินคนนี้เพื่อการทดสอบนะให้คนนี้รวยแล้วให้คนนี้จนให้คนนี้ป่วยแต่ในอาร์ครองไม่มีแล้วนะมีแตส่สบายสบายสบายสบายอย่างเดียวเรื่องทุกข์ไม่มี มิตรสภาสภาสภาสภาสภาไม่เชื่อลองดูลิอลองอะไรอะ่ะลองรอตายไง ت> <ت ตัวโลกวันโลกดุนยากันโลกอาคียา น, นีสอนนะโลกอาคียร์เป็นโลกที่มีแต่ความสุขเท่านั้นถ้ามีศาสนาแลยิยานขัายวันเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขอันแท้จริงเรากานูยาณ์ละมูนถ้าหากพวกเขาได้รู้ความจริง ถ้าได้รู้นะมันต้องเรียนใช่ไหมล่ะถ้าไม่เรียนจะรู้ไหมล่ะถ้าไม่นั่งฟังตบทเสจะรู้ไหมถ้าไม่เปิดกุญยอ่านจะรู้ไหมถ้าจบรามกำแพงด็อกเตอร์ก็ไม่รู้เพราะไอ้เรื่องโลกดุนยากับเรื่องออการาเนี่ยสอนนายกราฟีกุญอ่านเท่านั้นที่อื่นไม่มีไปจบด็อกเตอร์กันมาจากอเมริกาไปอยู่ยุโรปไปอยู่อะไรก็มาก็ตามแต่ ไม่รู้จักรู้จักแต่โลกดุนยาดุนยาดุนยาแต่อาอร์เคโรไม่รู้จักขาดทุนหรือกำไรครับขาดทุนอย่างย่อยยามเลยอาพี่น้องอะไรเป็นตัวตัดสินโลกอาอร์เคโรเนี่ยจะอยู่สบายเนี่ยพาอะไรไปถึงจะอยู่สง่างามพา إ ي م านครับแล้วก็พาตักาัา ภายาีนภาอิฮซานภาอิคลาสภายสุนนนบีพาอัลกุรอานยกตัวอยา่างง่ายๆพะยาฟาโรชื่อนางอะไรนางอาเซยียแล้วก็พรยานบีนัวกับพะยานบีรูดพะยานบีลูธ น, น่ะเป็นอยู่ใต้การดูแลของสามีที่เป็นคนดีใช่ไหม แต่นางตกนรกทําไมอะนรกเพราะไม่เชื่อสามีที่สามีนำเอาเอาอิมานมาสอนไม่เชื่อเอาอิสลามมาสอนไม่เชื่อแต่ภรรยาฟาโร่ในชื่อนางอาซียาได้ไปสวรรค์น่ะทางทางที่สามีนะ่ะเลวสุดๆนะ่ะไปอะไรเพราะนางอาซียะเชื่อนบีมูซานาบีมูซาสอนอิสลามให้สอนอิมานให้สอนตักวาสอนยา ก, กิดเชื่อหมดเลย เห็นยังครับฉะนั้นตัวตัดสินว่าอยู่ในโลกอาคิเริรจะลำบากอยู่สบายต้องมี إ ي م านต้องมีอิสลามต้องมีสุนาาัขนบีต้องมีคุณอ่านกำกับชีวิตถึงจะปลอดภยัยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะไม่ปลอดภยัยอันไม่เชื่อลองลองลองลองปล่อยตัวดูสิปล่อยนี่แหละปล่อยตัวไม่เอาอะไรเลยนะมาเกือไม่เอาศาสนาก็ไม่เรียนอลองดูต่อไปเราจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะเกิดขึ้น นบีสอนอย่างนี้นะแค่ตายพับเพราจับใส่ลงโวยเลยคนตายพูดได้ครับนี่ใครเล่าให้ฟังเนี่นบีเล่าเองพราะจับใส่ลงปั๊บถ้าเป็นคนชั่วนี่นะเอ็งจะพาฉันไปไหนเอ็งจะพาฉันไปไหนทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินหมดยกเว้นคนกับยิ้ไม่ได้ยินเสียงของคนตะโกนที่อยู่ในลงนี่ต้กลัวนะ นี่เราจะแบกมายึดออกอย่างมาสินผมดึกทุกทีเนี่ยนี่ตะโกนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตะโกนแบบไหนเราก็ไม่รู้ถ้าตะโกนว่าพาฉันไปไวๆเนี่ยดีไหมอ๋อรอาประวัติยิ่งใหญ่ถ้าตะโกนว่าเอ็งจะพาฉันไปไหนนี่นบีเล่าเองของที่นบีพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะเอาต่อมาครับผมรู้ว่าโลกดูดยากับโรกอาร์กิรอนี่ต้องเข้าใจแล้วนะ โลกดุนยาไปนี้ไม่มีอะไรหรอกน บ, บีเคยอธิบายพูดใหม่นะน บ, บีสาธิตนะน บ, บีไปที่ชายทะเลเอามือไปจุม่มน บ, บีเอามือจุ่มแล้วก็ยกขึ้นมาเอาชาวบ้านนบีเห็นไหมที่ติดที่ปลายนิ้วมือฉันนี่อะไรนี่คือโลกดุนยาปัจจัยโลกดุนยาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่คุณครอบครองอยู่บ้านที่ดินเงินรถ ภรรยาลูกชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งเงินนี่จะมาแล้วที่ยี่สี่นี่มาสี่อย่างเลยนะเงินก็จะมาเลือกตั้งใช่ไหมยี <c oughs> <c oughs> 24, ่สี่กูพาใช่ไหมเงินมันมาด้วยตรงนั้นแหละชื่อเสียงตําแหน่งก็ได้ดูแลประเทศโอ้โหมาเพื่อดูแลประเทศเนี่ยไซนาอุมาระดูแลประเทศมาก่อนพวกเรานะ่ะ เป็นผู้ปกครองประเทศ12ปีมากกว่าประยุทธ์อีกแต่สรุปชีวิตแล้วตอนตายมี4อย่าง1มีบ้านทําด้วยดิน2มีแส่หนึ่งอันเอาไว้ปลุกคนนามาศูบอันที่สามมีล่ออยู่หนึ่งตัวเอาไว้ขี่เยี่ยมประชาชน อันที่สี่มีเสื้ออยู่สามสี่ตัวบางตัวมีรอยปะนั่นคือชีวิตของัยนาโอมัดเป็นชาวสวรรค์ครับรับปกครองประเทศนี่ปกครองยังไงตัวเองไปนรกอ่ะแั้งว่ปกครองไม่เป็นดูแลประเทศไม่เป็นัยนาโอมัสเนี่ยปกครองประเทศสิบสองปีเป็นชาวสวรครค์ไม่โกงสักบาทนึก่งคิดดูสิไม่แตะเลยเงินเงินงินเงินงนง น, นี่ ถ้ามจะสร้างบ้านเป็นทองไม้สักจะเมืองไทยได้ไหมได้ทําไมไม่ทําไม่โกงอะ่ะเพราะเขามาีศรสนาเขากลัวอัลลอฮฺวันนี้วันเลือกตั้งจะมาแล้วแตะดินนิดนะวิ่งถาตําแหน่งสัญญาเลยไม่รู้ว่าเข้าไปทําอะไรการถ้าปกครองแล้วตัวเองตง้องตกนรกจะปกครองทําไมเป็นคนธรรมดาไม่ดีกว่าจ้ะ <laughs> อันตรีละพอแค่นี้พอ ต่อมากรับอายาที่หิบห้าฟาอิซารอติบูฟิลฟุลทีดาวุลลอฮมุคลิซีนัลฮุดดีนฟะละมานเจอะฮุมอิลลลบรริไ י ฮุมยุชริกุล فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما ن ج ا ه م إلى البر إذاهم يشركون الحمد لله ท <ص> ี่น้องอาย่นี้เนี่ยนะพูดเรื่องมุคลิซีนละหุดีน ทำหัวใจให้บริสุทธิ์ทำอย่างไงทำหัวใจของเราเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์บางคนทำไม่เป็นมุคลิสีนัลฮุดีนแปลว่าอะไรนะผู้ที่มีหัวใจสะอาดบริสุทธิ์คำว่าสะอาดบริสุทธิ์ในในคัมภีร์กุณอ่านอธิบายอย่างนี้ทำงานทั้งหมดเพื่ออัลละ ทำทุกอย่างเพื่ออัลลอ์ไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังตำแหน่งไม่หวังเงินไม่หวังอะไรการชมเชยสรรเสริญยกย่อมจากจากคนไม่เอาเลยบรรดาชาวบ้านนบี น, บ, น, บ, นบีทำเป็นแบบไว้เวลาทำความดีเนี่ยเขาก็ปกปิดเอาไว้ไม่ให้คนรู้เหมือนกับทำความชั่วนะั่นแหละแอบไปทำมาแล้ว ไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าฉั น, นไปทําชั่วมาปกปิดใช่ไหมทำความดีในสมัยนบีเขาปกปิดความดีไม่ให้ใครรู้ยกตัวอย่างข้ามานามาที่มัสยิดนี่อัลลอสั่งให้มานะเดินมาแบบสงา ง, งามเลยให้เป็นแบบกับคนอื่นด้วยว่าฉันมานมาที่มัสยิดนะและเอ็งฉันเดินผ่านหน้าบ้านเอง็งไงเอ็งไม่มาสู้เราเข้าใจว่า เดินมาเลยมาตรงไปเกง่งชายแต่งตัวสะอาดๆเดินมาดีๆย่าซูบุรีมาด้วยนะอย่าทลกกางเกนให้เดินมาเรียบๆซีค ร, รุลล่ามาอย่าวิ่งมานะนี่เวลามามัสยิดโชว์ให้คนเขาเห็นด้วยว่าฉันมามัสยิดนะเองก็ต้องมาด้วยนะแต่เวลานมาสุนัตเวลานามาสุนัต น, น, นะนบีเนี่ยจะกลับไปนามาที่บ้าน แล้บรรดาชวบ้น า, วบานบดบีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกลับไปนมาัารที่บ้านกันหมดเลยไม่ให้ใครเห็นให้ไม่ไม่อยากให้คนเห็นนะเวลาทำาทำความดีนี่คือว่าทำอะไรหัวหัวใจของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อใครเพื่อเอาล้อองค์เดียวอ่าดูดูกุรานทีนี้พรอธิบายอย่างนี้นะทำหัวใจให้ให้ใหสะอาดเนี่ยอัลลอสั่งนะ ว่มาอุมิรุอิลลาลียะบุดุลลาหะมุคลิซีนาลหุดดีนที่มัมนมาเวลาเราชอบอ่านเป็นอิมานเราก็ชอบอา่านลำลำลำยูกุนินน่ะนี่น่ะมันเตือนเรานะว่มาอุมิรุอัลลอฮ์บอกกับนบีนะเรานี่นะพวกเราเนี่ยไม่ได้ถูกสั่งให้ทําอะไร เรื่องของศาสนาเนี่ยนะนอกจากให้ทำความดีเพื่ออัลลอ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าหัวใจบริสุทธิ์ทำความดีอัลลอ์รับหมดเลยนะมีมีอะไรบ้างมีอยู่สามเรื่องนะหนึ่งเวลาขอดูอาให้ขอต่ออัลลอ์ตรงๆอย่ามีอะไรแอบแฝงอัลลอ์จะช่วยข้อที่สอง ขอทูอาให้พ่อแม่ขอทุอาให้กัตัวเองขอทุอ้าให้ลูกขอทุอ้าให้ภรรยาขอทุอ้าให้ธุรกิจมันเจริญขอจะรอดตรงตรงเราจะดูแลให้เรื่องที่สองเวลานมาสเนี่ยต้องนมาสส์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์บุคลิสจริงๆแล้วก็ข้อที่สเวลาให้ของคนเนี่ยให้บ้านคนหนึ่งหลังให้ที่ดินหนึ่งงานให้รถหนึ่งคันให้อาหารเขากินเนี่ย ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่ามีสิ่งอื่นแอบแฝงถ้าสมเรื่องนี้นะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะเดี๋ยวเวลาเรื่องลาบากลาบากมาเนี่ยอัลลอฮฺจะคุมครองเช่นอะไรบ้างตัวอย่างน บ, บียูซุฟมาลาชิสลามน บ, บียูซุฟรูปหล่อบป่าแล้วมีผู้หญิงชอบไหมแล้วก็บ้านที่น บ, บียูซุฟอยู่นะเป็นเป็นใครนะเป็นราชีนีด้วยนะ สามีเป็นคนดังออยู่กันสองคนน่ะแล้วปั้มนันไปอยู่ซุปใช่ไหมแล้วนันไปยูซุปทําไมไม่ทําสีนาละ่ะนี่ไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์มาตลอดนามามาตลอดเลยแล้วก็ซิครุ่ลอดนึกถึงอัลลอฮ์มาตลอดเวลาเจอปัญหาหนางๆเจอผู้หญิงจเจะป้ามเนี่ยทำไงกดอ่านอัิบายยังไง ล่าละอัลร่าบูรฮานอรับบอลลอฮ์เนี่ย <hi> แต่ถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ให้นบียูซุปนี่เห็นนะบางคนอธิบายว่าเห็นพ่อมายืนยูซุปอย่าทำยูซุปย่าทำวินานะที่เลยอะ่ะอัลลอฮ์ทรงมาทรงมาช่วยอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจของนบียูซุปนั้นสะอาดบริสุทธ์ต่ออัลลอฮ์มาตลอดนี่สอนพวกเราวันนี้กันไหมนนะ๊ะ ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้นะอยู่ด้วยหัวใจอนะันบริสุทธิ์สะอาดเพื่ออารม์จริงๆนะไม่ทําเพื่อเงินชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งไม่เอาเลยนะเพื่ออารม์เพื่ออารม์ออะรนะเวลาเจอผู้หญิงจีบเราเนี่ยเอารถมาจอดที่ไปกระฉานไม้ผู้ชายคนนี้จะบอกว่าฉันมีธุระไปกับเธอไม่ได้ก็หกบ้างอะไรบ้างเพื่อควาปลอดภยัยจะร่วมมาทํานี้ถ้า อิคลาสไม่มีมาก่อนหน้า น, นี้นะไปกอไ ป, ไปแล้วย่าเล่าจะใครฟัของฉันไปกับเธอแนะมันตามมาในรูปนี้นี่อิสลามสอนสอนดีไหมดีเอามาดูคุณอาคนครับฟาอิซารอกีบูรอกีบูแปลว่าขี่ขี่อะไรครับฟิลฟุ ล, ฟ ล, ฟลกีฟุลแปลว่าเรือ วาฟายซาโรกีบูฟิลฟูลกีดังนั้นเมื่อพวกเขาขึ้นเรือหรือว่าขี่เรือถ้ามาอธิบายเรื่องเรือแหละเพราะว่าเรือนี่นะเวลาอยู่กลางทะเลเนี่ยเวลาลมพายุ ม, มารางแรงเนี่ยอันตรายไหมรอที่จะอับปางเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเวลาแล้วคนที่อยู่ในเรือทุกคนนี่นะเวลาลมพายุ ม, มาอยู่กลางทะเลนี่กลัวหรือไม่กลัว เราเองเนี่ยวันแน่แน่นี่ยนะเอาล้ออยู่กลางทะเลด้วยเอาล้อมันจะรอดหรือเปล่านี่กลัวตายหมดเลยครับนี่เอาล้ออ้างถึงเรื่องเรือให้มุสลิมได้คนต้องนึกเยอะนั่นคนที่เดินทางทางเรือเนี่ยหรือเดินทางบนเครื่องบินก็เหมือนกันที่แอร์เอเชียของอะไรเนี่ยมันจะแอร์เอเชียสิของอินโดนีเซียนะอะไรนะ ไลออนไลออนแอร์ Lion, Lion Air, เนี่ยผมเห็นในมันพริกบนอากาศเนี่ยก่อนที่จะตกลงมาที่ทะเลเนี่ยเนี่ยขี่เรือก็ดีขีข่เครื่องบินก็ดีเนี่ยอยู่ในที่ลำบากลาบากเนี่ยคนจะคิดถึงอัลลอ์หมดแล้วมีเด็กรอดอยู่คนหนึ่งใช่ไหมกันต้องนั้งตายทียงหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่อัลลอ์สอนเรานะทำตัวให้มีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอ์ เวลาเจอกับความลำบากอัลลอจะคุ้มครองเอาดูกลัอฟาอิซารอกีบูเมื่อพวกเขาขึ้นเรือดอาอุลลอไอขึ้นเรือนี่ต้องอธิบายเองนะเรือพบกับอุปสรรคเจอฝนเจอลมโจพายุแรงๆเรือมันจะพินาศคนจะตายคนที่อยู่ในเรือเป็นไงครับดอาอุลลอพวกเขาจะ วิงวอนขอดุทิศต่ออัลลอฮ์แบบไหนครับมุคลิซีนบริสุทธิ์เลยเพราะกูว่าตาตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเครื่องบินจะตกอยู่แล้วเนี่ยเรือจะพังอยู่แล้วเนี่ยเวลาขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ในใจเป็นไงอัลลอฮ์ช้าฉันไม่กราบใครแล้วกราบท่านคนเดียวฉันไม่บริหาตอตะเกียแล้วฉันขอบท่านคนเดียวอัลลอฮ์ช่วยหน่อย ทังคนเหลีัลเราจะช่วยเนี่ยต้องสะอาดบริสุทธิ์เมื่อก่อนหน้านี้ต้องสะอาดบริสุทธิ์ดาวุลลามุคลิสีนละหุดีนพวกขาววิงวอนขอต่ออัลลอ์เป็นผู้ที่มีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์พักดีต่ออัลลอ์สุจริตมั่นหัวใจที่มุ่งตรงต่ออัลลอ์เลยไม่มียาเสียงอื่นประกอบตกลงปลอดภยัยไห ปลอดภัยต่อมาครับพอปลอดภัยแล้วเป็นยังไงฟลัมมานาจาฮุม mm hmm. เมื่อเราเนี่ยรอนะเมื่อเราทำให้พวกเขาปลอดภัยจากการเรือล่มปลอดภัยจากไม่ให้เรือพังไม่ให้ตัวเองตกน้ำตายนะครับไปปลอดภัยอิลลบารีขึ้นบนบก เมื่อเรือไม่มีอันตรายปลอดภยัยตัวเองก็ปลอดภัยขึ้นเรือได้มาอยู่บนบกใช่ไหมลืมชีวิตอยู่ในทะเลแล้วสิเป็นไงครับอิซาฮุมยูสริคูนเมื่อนั้นพวกเขาก็เริ่มตั้งภาคีไปหาตัวตะเกียบมันเดิมไ <c oughs> อตอนลำบากเนะี่ยฉันอยู่กับล้อองค์เดียวนาะฉันไม่เอาฉันไม่ทำบาปเลย ท่าเอาอัลลอฮ์องเดียวอัลลอ์จะาช่วยหน่อยพออัลลอ์ช่วยแล้วพอขึ้นบบกเป็นไงอิละหุมมุชริกูนี่สอนอะไรสอนเราเรื่องความบริสุทธิ์ใจทะานนี้นบียูซุฟเป็นกรณีตัวอย่างทำไมนบียูซุฟไม่ทำไม่ทาซีนาอยู่ในบ้านกับผู้หญิงสองต่อสองอะและผู้หญิงปิดประตูแล้วนะะขายกอแล้วนะ วะฮัมมับบิฮาวะฮัมมัดบิฮาวะฮัมมับิฮาอัรอะบุรฮานอรอบิถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ให้นบีมุลสุบในเห็นนะมาถึงเห็นเห็นพ่อตัวเองมานี่มีคนๆคนอธิบายดีนะพ่อมายืมยูซุบเอยอย่าทาดินานะลูกเอยทั้งที่จากพ่อมาตั้งสามสิปีแล้วนะยี่สบกว่าปีแล้วนะอัลลอฮ์ให้เห็นก็เลิไปก้าทาบินานะถามว่าอะไรเป็นเครื่องปก ป้องน บ, บียูซุฟม่ให้ทําสินะก็เรื่องหนึ่งนอะ่ะหัวใจอันบริสุทธิ์อิคลาสต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลช่วยคุ้มครองหมดเลยเรื่องที่สองเรื่องเรือก็เหมือนกันคนนี้นะจะเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์จะต้องเตือนลำบากลําบากหนักหนะักะเช่นเรือจะอับบางฉันไม่เอาใครแล้วเอาอัลลอฮ์องเดียวแต่ที่ไหนได้เวลาก็ปลอดภัยขึ้นบนบกทําบาปเหมือนเดิมอีกนี่นิสัยของมนุษย์เป็นอย่างนี้ เอาต่อมาเรื่องสุดท้ายหกสิบหกนะครับอัญานะ้าลียัคฟุรูบิมาอาตนาฮุมวะลียะตะมต้าอุฟาซูฟะย์ลเมูนลียัคฟุรุบิมาอาตนาฮุมวะลียะตะมต้าอุ ฟาซาห์ไฟ <c oughs> ย่ำละมุนอาจารยะสุดท้ายนี่อ Allah สรุปชีวิตนะแ <c oughs> ปลอาตัยนาหุมก่อนนะ <c oughs> บิมาอาตัยนาหุมที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขา <c oughs> มนุษย์เนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยใครเลี้ยง อัลเลียงให้บ้านใช่ไหมให้ชีวิตมาตั้งแต่อยู่ในคามนมารดาในค่ยคายให้อัลลอฮให้ให้วิญญาณมาและกำหนดสี่เรื่องด้วยนะอะไรบ้างอาชีพริสกีวันตายจะเป็นคนดีหรือคนชั่วสี่ข้อให้พอออกมาจากท้องแม่สายสะดือถูกตัดขาดก่อนเพื่อน เอาอะไรมาแทนนมมาแทนนมแม่พอกินนมแม่นมแม่กักล้วยกล้วยมาแทนอีกอลัลลอ์ให้อีกต่อมาก็แต่งงานาวันรุ่นิติภาวะล้วก็แต่งงานแล้วก็มีบ้านแล้วเรียนหนังสือจบนู้นจบนี่อะไรก็ตามแต่อลัลลอฮ์ให้เทนี้พอให้แล้วเป็นไงครับลียักฟูรู ได้รับเนี่ยมัดของอัลลอฮ์มาทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ให้มาแต่เลีย้ยกฟรู้เพื่อการเนรคุนให้มาทุกสิ่งทุกอย่างให้มาแล้วกับเนรคุณต่ออัลลอฮ์ไม่เคยกล่าวอัลฮัมดุลิละมีไหมคนในโลกนี้ได้รับเนียมัดของอัลลอฮ์แล้วไม่กล่าวอัลฮัมดุลิละมีไหมนี่่าพวกไหนล่ะพี่น้องก็มองเองมาแล้วกันอย่าไปชี้ อโลยให้บ้านหนึ่งหลังให้ที่ดินให้ภรรยาให้ลูกให้เรียนจบด็อกเตอร์ให้เป็นหมอนุ่นหมอนี่สารพัดมีรถตั้งหลายคันในบ้านแต่ขอบคุณอโลยไม่เป็นทรยศต่อโลกเป็นแต่ขอบคุณไม่เป็นนี่ไงยักฟูรูบิมาอาไตานาหุมเราเนี่ยให้กับพวกเขาให้กับพวกเขากับพวกเขามาทําอะไรครับยักฟูรูมาทรยศนี่คือความชั่วของคน พี่นอครับอยาาเป็นคนอย่างนี้ไหมอัลลอฮ์เล่าต่อไปอีกด้รับเนี่ยหมายของอัลลอฮ์มาแล้วเป็นไงครับวาเลตามตาตเอแล้วก็หาความสุขหาความรื่นเริงอร่อยกับปัจจัยที่อัลลอฮ์ให้ให้เมียมาอัลลอฮ์หัวบัดเอามาอยู่ที่บ้านไม่ได้แตง่งด้วยไม่ได้แต่ง อยู่กันก่อนท้องกันก่อนพอท่องดีมหาตัวอิหมาตมัวอิมามจะช่วยแต่งลูกสาวสนานเห็นยังครับวัยญติมัตต์ตาได้รับริสกีของอัลลอ์หาความตามัมมะตาบาความไรนะความสดชื่นความสุขความอร็ดอร่อยช่เนี่ยหมายของ Allah, อัลลอฮ์เพลิเลยบนโลกดุยาไปนี้แต่อะไรยักฟูรู ทรยศต่อ Allah Bismillah ไม่เคยกล่าว a l ด a h u Akbar ไม่เคยกล่าวขึ้นทั้งบินไม่เคยกล่าว Allahu Akbar สักคำหนึ่ง Bismillah ไม่คิดตอนทานน้ำก็ไม่อ่าน Bismillah ด้วยทรยศต่อ Allah ใช่ไหมแต่เรากรเรียกไม่เห็นเหรอเรียกวะอะนี่ Allah เล่าเองนะวะละฟาซาวฟายาลลมู ดังนั้นในไม่ช้าซาอฟ้าในไม่ช้าอันไกลเนี่ยยาลมูนพวกเขาจะได้รู้ว่าการทรยศต่ออัลล์ไม่เอาอัลลอ์นั้นลำบากในกูโบอย่างไรฟื้นขึ้นมาในโลกอาคิอรอถูกเล่นงานอย่างไรตาบอดอย่างไรชีวิตหลังตายอันตรายหมดลเลยปฏิเสธอัลลอย์ยงเดียวนะืรู่บาครับ ฉะนั้นถึงนบีลเลยสอนนะว่าก่อนตายกาวไรากาลิมานะนี่มาสรุปชีวิตแล้วนะตายแบบไหนตายที่กาวกาลิมาเลอยู่ในอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลบาดีขนาหนแล้วก็ตายขณะยืนนมาดดีไหมตายขณะอ่านอาัลกรุรอานดีไหมนี่สรุปชีวิตให้ฟังแล้วตายขณะเดินตะวากดีรด้ไม่ดี ตายบนอกผู้หญิงอยู่ในโรงแรมเป็นยังไงโอ้โหหนาจุบิล้วจะินได้ร right ือพลายาป่าไม่ใช่พระยานนะกิ๊กฉะนั้นคุณอนญญาณนี้เตือนนะว่าลียักฟูรูเพื่อการทรยศเพื่อการเนรคุณบิมาอาใจนาฮุมเรานี่ได้ประทานให้ให้ให้ให้กับพวกเขาแทนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอัลลอ์ทรยศต่ออัลลอ์ วาลียาตมาเต า, ตาแล้วก็หาความสุขหาความอะไรอ่ะหาความละลื่นหาความสุขหาความสบายหาความอร่อยกับเนี่ยห ม, มัดของอัลลอฮ์นะเรียกหมัดองอัลลอฮ์นี่ยอร่อยจริงๆนะใช่ได้ไม่ใช่โอ้นั่งรถคันงามๆเนี่ยอัลลอฮ์อร่อยไหมอึม้มเท่น่าดูเลยอย่างนี้เป็นตนัวแล้วก็ฟาซาฟัยยละมูนคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์นะ ไม่ชาคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณบ้านปลายลบากอย่างไรผมขอเล่านิดนึงนะนรกครับนรกนี่เฉพาะหนังอย่างเดียวเนี่ยเดินสามวันเอ้าใครอยากอยู่ในนรกเชิญเลยต้องดูบนหนังชันโตยังไงเชิญแล้วก็นรกนี่นะครับหูติ่งหูกับไหลนี่นะโอ้โลเดินไม่รู้ว่ากี่วันเจ็ดสิบปีนี่ตัติ่งหูเนี่ยกับกับไหลเนี่ย เขาบอกว่าร่างใหญ่นะ่ดูเลยนะและที่นั่งของชาวนะรกนะตั้งแต่มากาถึงม ด, ดีน่านะ400กิโลนั่งคนเดียวนะเห็นยังคไงน้านะบันปาชีวิตลําบ า, ากเท่านี้ฉะนั้นหันมาเรียนอิสลามเธอมาเรียนสุนานนะนบีเธอมาเรียนกูรณานเธอมันมีอีหมา่านมีตักวามียาตีนมียาาสตรมีอิคลาสมีสุนานนะนบีกากับชีวิตดีกว่าที่นอ อัลลอฮอับอัลลอฮพอใจนะพี่น้องนะถ้าเรียนอิสลามนะเรียนสุนนะนบีนะจะนอนจะนั่งนึกถึงอัลลอฮนึกถึงยังไงถ้านบีไม่สอนนึกไม่เป็นนาเอายกตัวยกยกตัวอย่างง่ายๆจะใส่เสื้อเนี่ยถ้าไม่เอาสุนนะนบีเราอ่านอดาไม่เป็นนอ่านอดาอดาใส่เสื้อว่าไงทำไมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิาซานีบิฮิอัลลอตี ว่อัตาจมมาลบิฮิฟิฮายาัยตีนี่ตัวอะไรเส้อขอบคุณนั่นหละถามว่าต้องเรียนไหมล่ะก็ต้องเรียนต้องท่องลออะไรบ้างเพลงไอเบิร์มันท่องได้นะใครท่องได้หมดเพราะว่าพดูอาไม่ยอมท่องไปเนาะท่า น, นต้องเสียเวลาต้องเหนื่อยกับการอยู่กับศาสนาที่แล้วไป้วครับทำเรื่องอมหมดเวลาครับไปเนองเรื่องจะอธิบายเยอะ سبحانك اللهم وبحمدك ش ا u ا ل a ه إلّا أ ن أستغفرك وأتوب إ ل و ص ل الله على محمد ع ل ى آله و ص ح ب أجمعين الحمد لله ر ا ل ع ا ل م